การบูชาพระก่อนจะเข้าห้องพระต้องอาบน้ำชำราระกายให้สะอาดและควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาดหรือถ้าเป็นไปได้ควรนุ่งขาวห่มขาวด้วยจะดีมากทําจิตใจให้ผ่องใสจุดทูปเทียนและพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือไหว้เพียงหน้าอกกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยว่า อรหังสัมมาสัมพุโทโภพควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันตับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน กราบลงหนึ่งขนสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสสามิข้าพเจ้านามัสการพระธรรมกราบลงหนึ่งขน สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบลงหนึ่งขนนะโมตัสสะภควโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนังขจฉามิ ธร ร, ah Speaker, pur, ร ม, มังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปีสังขังสรนังขจามิตาธิยัมปีพุทธังสรนังขจามิ ตาที่ยามปิทำมังสรนังคัจฉามิตาที่ยามปิสังขังสรนังคัจฉามิปานาธิปาตาเวรมัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมัมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ สีเลนโภคสัมปทาสีเล น, นิพุติยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยศัตรูที่แท้จริงของคนคือโลภโกรธหลงต้องแก้ด้วยการมีศีลสมาธิปัญญาเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้ จะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้